วันนี้เป็นวันพระวันที่เรามาเร่งความเพียรกันเพราะวันเวลามีแต่จะน้อยลงไปเรื่อยๆทุกวินาทีที่ผ่านไปก็แสดงว่าชีวิตของเราก็หดลงไป เราจะลองเดินเข้าสู่ความแก่ความชราเข้าสู่ความเจ็บไข้ได้ต่วยเข้าสู่ความตายกันโอกาสที่เราจะได้ตักตัวงให้เกิดมักคผลมิพพา์ขึ้นมาก็จะมีน้อยลงไปเรื่อยๆ ถ้าเราไม่รีบเร่งความเพียรเราอาจจะไม่ทันกับเวลาที่ค่อยๆผ่านไป mm. เวลานี้ไม่หยุดไม่คอยใคร mm. เวลาเขาเดินไปเรื่อยๆ mm. ถ้าเราปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไม่ได้เร่งความเพียรไม่ได้เจรนนินรัก ผลมรรคผลนผลิพานที่เป็นสิ่งที่ประเสริฐก็จะไม่เกิดขึ้นกับเราแล้วถ้าชีวิตเราชาตินี้หมดไปชาติต่อไปอาจจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็ยังไม่รู้ว่าจะได้กับพานเมื่อไหรและ กลับมาแล้วจะได้พบกับพระพุทธศาสนาอีกหรือไม่ก็ไม่มีใครรู้เหมือนกันเพราะการปรากฏของพระาศาสนาในแต่ละครั้งก็เป็นเวลาที่ห่างไกลกันมากยากที่จะเกิดขึ้นมาการได้เกิดเป็นมนุษย์ก็ยากเช่นเดียวกัน โอกาสที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์ได้พบกับพระพุทธศาสนาจึงเป็นโอกาสที่ยากลำบากอย่างยิ่งโอกาสที่จะได้อย่างที่เราได้อยูตอนนี้นั้นเป็นสิ่งที่ยากมากพระพุทเจ้าทรงตัสว่า มีสิ่งที่ยากอยู่สี่ประการสี่คือการปรากฏของพระพุทธศาสนาการปรากฏของพระพุทธเจ้าการได้เกิดเป็นมนุษย์การได้ศึกษาปฏิบัติธรรมเทา่าที่จำได้ ํำได้ทช่สาข้อนี่คือส่วนที่ยากตอนนี้เราได้สองข้อแล้วก็คือได้เกิดเป็นมนุษย์ได้พบกับพระพุทธศาสนาข้อที่สาก็คือการศึกษาปฏิบัติธรรมอันนี้ถ้าเราไม่ผักนันตัวเราให้ศึกษาให้ปฏิบัต มันก็จะเป็นของยากของที่จะไม่เกิดขึ้นเองได้ง่ายๆไม่เหมือนกับการไปแสวงหาราบยกสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจนูกลิ้นกายการกระทำแบบนี้เป็นการกระทำที่ง่ายมากเพราะมันฝังอยู่ในใจของเรา เราทำกันมาจนติดเป็นนิสัยแทาจะไม่ต้องมีใครสอนแทาจะไม่ต้องมีใครบังคับถ้าให้ไปหาเงินหาทองไปได้หาลาบหายุท์หาสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งไก่อันนี้ไปกันได้ไม่ได้แต่ให้ไป จะลยมากให้ไปทำทานให้ไปรักษาศีลให้ไปภาวนานเป็นสิ่งที่ทำได้ยากอย่างน้อยก็เจ็ดวันนี้ก็ทำได้กันก็วันหนึ่งบางคนนี่ทำไม่ได้เลยปีหนึ่งจะทำบุญเท สองสาสี่ห้าครั้งตามโอกาสตามวันสำคัญตา่างตามวันเกิดบ้านตามวันครอบรอบของการตายของพ่อแม่มีวันสำคัญทางศาสนาวันขึ้นปีใหม่ถึงจะได้ทำบุญให้ทาน อันนี้ก็เป็นเ่วยงส่วนเล็กน้อยส่วนที่สำคัญก็คือการศึกษาปฏิบัติธรรมเึ่งการเข้าวัดอยู่วัดฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมจเจริญสมถะ ภ, ภาวนาจเจริญวิปัสสนาภาวนารักษาสีแปดอันนี้ะจะเป็นสิ่งที่ยากแสนยาก ยังไม่ได้ใครได้พบกับมักผลน่ผ่านกันก็จะได้แต่ลาบรศสต่พระเรได้แต่รู้เสียงกิ่นรสสุสภาที่เป็นความสุดเพื่อเครืวแล้วก็เป็นความทุกข์ตามมา เพราะความสุขที่ไม่ได้อทำให้ความอยากลดน้อยลงไปอต่เป็นความสุขที่ทำให้เกิดความอยากเพิ่มมากขึ้นเวลามีความอยาก้วจะอยู่ไม่เป็นปกติ อ, อยู่ไม่ได้กะว่นกะวายา ก, กายั็สับก็ใสุ่ดหดลาคาญใจก็เลยต้องออกไปทำตามความอยาก การทำตามความอยากก็ไม่ได้ทําให้ความอยากหายไปเราว่าความหงุดหงิดลำคาญใจไว้ชั่วคราวแล้วก็เกิดความอยากขึ้นมาใหม่เกิดความหงุดหงิดําคาญใจตามมาอนี่คือความสุขที่ได้จากการสแสวงหาราบยกสรรเสริญหาลูกเสีย ง, งกลินลดปดท่าพระชนิดต่างๆ ไม่เหมือนกับความสุขที่ไดจากการทำทานรักษาศินภาวนาความสุขนี้เป็นความสุขที่จะลดความอยากให้น้อยลงไปทำแล้วก็จะทำให้มีความสงบมีความสบายใจมีความพอใจที่จะอยู่เฉย ไม่มีความอยากมาคอยกระตุ้นให้ไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้แต่หาสิ่งนั้นสิ่งนี้ดังนั้นเราต้องคอยสอนตัวเราเองคอยบังคับตัวเราเองให้ทำในสิ่งที่เป็นความสุขที่แท้จริงอย่าปล่อยให้วิสัย คอยชุดลากให้เราไปหาความสุขที่เป็นความทุกข์เราต้องบังคับตัวเราเองบังคับให้ทําทานให้มากๆรักษาศีลให้มากๆจเจริญจิตธภาวนาให้มากๆถ้าเราไม่บังคับมันจะไปไม่ได้ ถ้ารอให้เกิดความรู้สึกเกิดอารมณ์ที่อยากจะทำแล้วค่อยทำนี้มันก็จะเกิดอย่างที่พูดนี้ต้องวันสำคัญจริงๆเช่นวันเกิดวันขึ้นปีใหม่วันเทศกาลต่างๆอันนั้นก็อาจจะเกิดอารมณ์อยากที่จะทำบุญอยากจะ รักษาสีเนี่ยจะปฏิบัติทมแต่มันจะน้อยเกินไปจะไม่เพียงพอต่อการที่จะทำให้เกิดผลขึ้นมาการที่จะทำให้มันเกิดผลขึ้นมานี่มันต้องทำอย่างต่อเนื่องทำอยู่ทุกทุกวันทุกเวลานาที ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับนี้เวมนจะทุ่มเทชีวิตจิตใจทุ่มเทความภาคเพียงให้กับการปฏิบัติให้กับการศึกษาถ้าให้เช่นั้นก็จะไม่เพียงพอต่อการที่จะทำให้เกิดผลขึ้นมา เราถึงต้องำกำหนดว่าเราจะนักษาศีล เ, เท่าไหร่ละภาวนาเท่าไหร่ <c oughs> คือควรจะมีจุดเริ่มต้นจะมากจะน้อยไม่สาคัญขอให้มีจุดเริ่มต้นแล้วก็ให้มีแผนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเป็นระยะระยะไตามลำดับไป เรืต้นก็อาจจะเอาวันพระเป็นจุดเริ่มต้นวันพระจะถสีสิ้นแต่จะปฏิบัติธรรมเจริญสตินั่งสมาธิเดินจงกรมสังเทศฟังธรรมเจริญวิปัสสนาจเจริญปัญญาจะไม่ทาภารกิจอย่างองื่นจะไม่หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย เรื่อตอนจะเอาวันพระก่อนแล้วก็ค่อยเพิ่มขึ้นไปเป็นสองวันสามวันสี่วันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครเจ็ดวันได้ครบเจ็ดวันก็จะถือว่าได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่ละไม่มีช่องให้ไปกระทำกิจอย่างอื่นที่ไม่สําคัญที่ไม่ได้เอือ้อ ต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานไม่มี อ, อะไรในโลกนี้ที่จะเป็นพื้พึ่งของเราได้นอกจากมรรคผลนิพพานนี้เท่านั้ น, นผู้ที่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานจะเป็นผู้ที่อยู่อย่างปราศจากความทุกข์แต่ไม่มีความทุกข์ต่างๆเข้ามาเหยียบย่ํา ทำลายจิตใจดัง น, งนั้นอยากไปหลงกับการหาลาบยึดสาะเสียงหายูบเสิงกิ่นลดโทสะเพราะจะไม่สามารถดับความทุกข์ต่างๆไม่สามารถป้องกันไม่ให้ความทุกข์ต่างๆเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นมหาเศรษฐีเป็น ประธานาธิะดีเ็นนายกทัตมันตีนี้เป็นอะไรก็ตามจะไม่สามารถที่จะอยู่เหนือความทุกข์ไปได้แต่ต้องถูกความทุ ก, กข์ดีบครั้นอยู่ตลอดเวลาเพราะความทุกข์นี้เกิดจากความอยากและความอยากไม่ลดน้อยลงไป จากการได้ลาบลดสำนเสริงได้รูกเสียงกลิ่นลดจุดสภานแต่กลับจะทำให้เกิดความอยากเพิ่มมากขึ้นก็ยิ่งเกิดความทุกข์เป็นความทุกข์ที่ไม่รู้สึกตัวเลยว่าเป็นความทุกข์เป็นการวาอยากได้อะไรก็ต้องไปขวนขวายไปต่อสู้ไปเอาสิ่งที่อยากได้มา การขวัขควายเล่นลนต่อสู้เพื่อให้ได้สิ่งที่อยากได้มานี้ก็เป็นความทุกขแล้วแต่ไม่รู้กันคิดว่าเป็นความสุขแล้วก็เวลาที่ไม่สามารถเล่นลนต่อสู้แสวงหาสิ่งที่ต้องการได้ เวลานั้นถึงจะเห็นความทุกข์เนเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายพิกลพิการไม่สามารถที่จะทำตามความอยากได้เวลานั้นก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานใจแต่ถ้าเอาเวลามาให้กับการ จเจริญมรกจเจริญผลก็คือทำทานรักษาศีลภาวนาใจก็จะมีความสงบเพื่อมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงไปเพราะความอยากจะน้อยลงไปตามละดับเพราะการทำทานนี้เป็นการสกัดความอยาก การรักษาศีลเป็นการสกัดความอยากการภาวนาเป็นการสกัดความอยากหยุดความอยากการเจริญปัญญาเป็นการถอดถอนความอยากให้หมดไปจากใจใจที่ไม่มีความอยากนี้จะเป็นใจที่แสนจะสุขแสงจะสบาย ไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกับสิ่งต่างๆที่ใจมาสัมผัสรับรู้ไม่วุ่นวายกับการเจริญเนื้อเกับการเสี่อมของลาบนศสเสืกับรูปเสียงกิ่นรสกทตถะกับร่างกายของตนไม่ว่าร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายหรือไม่ก็จะไม่เป็นปนัญหาแต่อยางใด จะอยู่อย่างสบายไปจนนาทีสุดท้ายลมหายใจสุดท้ายจะไม่มีความทุกข์กับเรื่องใดทั้งสิ้นแลวเมื่อหมดหมดร่างกายนี้แนละ้วก็จะไม่ไปหาร่างกายใหม่มาแบบอีไม่ต้องกลับมาแก่มาเก็บ้าตายไม่ต้องกลับมาเดินโดนหาสิ่งต่างๆทั้งหลายใน่อกนี้ อันนี้เป็นหน้าที่ของเราเป็นงานของเราภา ร, รกิจทางศาสนาที่เราต้องทำเองต้องทำให้มากต้องทำให้บอ่อยอย่าท้อแทอ้อย่าเบื่อนานต่อการทำทานต่อการรักษาศีล ต, ต่อการภาวนาต่อการทำเพื่อฟังธรรม พยายามสร้างสันทาวิริยะจิตตวิมังสาให้เกิดขึ้นด้วยการนึกถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติให้เราลึกถึงพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายเป็นตัวอย่างให้ดูผลที่ท่านได้รับจากการได้ปฏิบัติ เราจะทำให้เราเกิดมีฉันทะวิริยะกิตติวิมังสาฉันทะก็คือมีความพอใจมีความยินดีที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติทานสิ้ภาวนาวิริยะก็คือจะมีความอุตสาหะพยายามความภาคภูมปฏิบัติอย่างต่อเนี่อ จิตตะก็จะมีใจที่จดจอ่ออยู่กับการศึกษาปฏิบัติทานสิ้นภาวนาจะไม่สนใจกับการแสวงหาราบยศสรรเสิญหาความสึกทางตาหูจมิกนิ้วกันที่มังษาความ่ายควรพิจารณาก็จะ่ายควรพิจารณาแต่ เรื่องของการทำทานเรื่องของการรักษาศีลเรื่องของการภาวนาจะไม่ไปไข่ควรคิดถึงการหาราบเ ล, ลเี้ยงสารเสงหาลูกเสืองลืงรสถโดตะพระชนิดตา่างๆ้ามีอิทธิบาทศีนี้นละ้วยยจะมีพลังจะมีกำลังที่จะพลอก เ, เป็นสีลห้าให้กายเป็นพระห้าขึ้นมา จะทิกศรัทธาที่ยังล้มลุกคุกคงให้เป็นศรัทธาที่แน่วแน่มัน่นคงให้ทิกวิริยะที่เป็นแบบแ้วชามยืนชามให้กลายเป็นวิริยะที่หมุนไปเองโดยอัตปโนมะไม่ต้องผักหลังพอเกิดขึ้นมาวัดก็จะเพียงทันทีเพื่นเติบขึ้นมาก็จะตั้งสติทันที จะควบคุมจิตใจทันทีควบคุมความคิด ท, ทันทีจะไม่ปล่อยให้คิดร่วยสวยจะกําหนดอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งกาหนดกระทุดโทก็บริกรรมทุดโทไปกําหนดดูร่างกายเฝ้าดูร่างกายก็เฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทําของร่างกายไปในทุกอิรียบในทุกการเคลื่อนไหว ไม่ปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องอื่นให้คิดอยู่กับเรื่องของร่างกายจะคิดว่าจะคิดว่าตอนนี้ร่างกายกําลังทําอะไรอยู่ก็ได้เ้าดูไปกําลังอาบน้ำกําลังแต่งเนื้อแต่งตัวกําลังรับประทานอาหารหรือจะดูธรรมชาติของร่างกายก็ได้ว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็ธรรมดา ร่างกายนี้ก็เป็นส่วนประกอบของอาการช้างติดสองนี้เองประกอบด้วยผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจจับผังผืดไตต่อไส้ใหญ่ไส้เนื้ออาหารใหม่อาหารก่าเยื่อในสมองศีรษะน้ำดีน้ำเกลือน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหนียน้ำมันขนน้ำตาลน้ำไหลน้ำลายน้ำมูกน้ำขายข้อน้ำมูก นี่คือส่วนประกอบของร่างกายไม่มีตัวตนในสิ่งเหล่นี้ไม่ไม่มีตัวตใ น, ว น, น, นตวตวตในผมในขนในเล็บในฟันในหนังในเนี้อลองําำระร่างกายดูเหมือนกับคนที่เขาชำะระคือกอขายในตลาดนีเขาก็แยกแยะชิ้นส่วนต่างๆออกมาขายเนื้อเขก็ขายไปหนังเขาก็เอามาขายเออวัยวะต่างๆเขาก็แยกออกมาขาย อาวัยวะเหล่านี้ไม่มีตัวตนไม่มีเจ้าของร่างกายนี้ก็เหมือนกันไม่มีตัวตนไม่มีเจ้าของเพียงแต่มีใจมาครอบครองไว้ชั่วคราวมาอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือทําตามความอยากของของังันเท่านั้นเองพิจารณาที่มาที่ไปของอาการสามสิบสองว่ามาจากอะไร ก็มาจากอาหารมาจากน้ําที่ดืกก่มเข้าไปมาจากอากาศที่มาผสมกันน้ําผสมกับอาหารผสมกับอากาศก็ทําให้มีการเจริญเติบโตของอาการสามสิบสองผมยาวขึ้นมาเพรา ะ, ราะมีการเติมธาตุเข้าไปเติมดินน้ำํำนมฝันเข้าไป แล้วอาจารย์สาวสาวนี้ก็เป็นธาตุดีๆนี่ผมก็เป็นธาตุดินตัดผมที่ไปในดินต่อไปมันก็มันก็กลายเป็นดินไปเล็บตัดทิ้งไปทิ้งไปในดินมันก็จะกลายเป็นดินไปส่วนน้ําที่เราถ่ายออกมาปัดซะว่ามันก็กลับคืนสู่น้ํำไป นะลมก็เข้ามาแล้วก็ออกไปเป็นการเข้าออกของดินน้ำลมไฟและพอการเข้าออกของดินน้ำลมไฟยุติลงก็จะเป็นการแยกสลายของดินน้ำลมไฟออกจากกันไปธาตุน้ำก็แยกออกไปธาตุลมก็แยกออกไปธาตุไฟก็แยกออกไปเหลืออยู่แต่ธาตุิน นี่ก็คือร่างกายไม่มีตัวตนไม่มีใครเป็นเจ้าของเป็นของดินน้ำเงินกันคิดนาอย่างนี้แนละ้วมันก็ใจก็จะสงบใจก็จะสว่างใจก็จะขลาบกจา็จะไม่ยึดติดกับสิ่งที่จะต้องเสื่อมสลายกลับคืนสู่สภาพเดิกไป เพื่พร้อมที่จะรับ ก, กับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นพร้อมกับรับ ก, กับการแยกสลายของท่าตุสี่ดินน้ำลมไฟพร้อมกับพร้อมจะรับ ก, กับความแก่ความชราของร่างกายพร้อมที่จะรับ ก, กับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายพร้อมที่จะรับ ก, กับความตายของร่างกายนี่คือการเทียน ข, ขึ้นมาทำแต่เรื่องอย่างนี้ถ้าทําภารกิจการงานก็มีสติจดจ่อตั้งอยู่กับภารกิจการงานอย่าปล่อยให้ใจหนีไปคิดถึงเรื่องเรื่องต่างๆที่จะทําให้เกิดความอยากขึ้นมาพอเผลอปล่อยให้ไปคิดถึงเรื่องต่างๆเกิดความอยากขึ้นมาก็จะถูกความอยากชุดลากไปทันทีก็จะไม่ได้ เพียรภาวนาไม่ได้เจริญสติไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้เจริญปัญญาพอเกิดความอยากนะอยากได้ลาบอยากได้รสริยอยากได้ยืดเสียงจีนเะนาะก็จะถูกดูด่อไปทางนั้นทางจีนนั้นการเจริญสตินี้จึงเป็นภารกิจที่สําคัญอย่างนี้ยงมากจะ ต, ต้องคอยควบคุมความคิด อย่าให้ไปทางความอยากให้ได้ถ้าไปจะต้องหาวิธีหยุดมัในให้ได้ใช้ปัญญาพิจารณา่อไปก็เท่านั้นต่ว่าเดี๋ยวก็เสียวเวลาไปตไปล่างที่ได้มาก็ไม่ได้เป็นที่ขึ่งที่แท้จริงของใจนอกจากไม่เป็นที่ขึ่งแล้วก็จะกลายเป็นพารากรดดันจิตใจ ถ้ามีความยึดติดมีความอยากในสิ่งนั้นอันนี้ต้องพยายามปฏิบัติให้ได้พยายามทาให้ได้ว่าดเวลาควบคุมความคิดให้ได้ให้อยู่กับการภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิพิจารณาธรรมพิจารณาร่างกายพิจารณา สภาพต่งางๆของร่างกายที่จะต้องเกิดขึ้นเวลาร่างกายตายแจะเป็นอย่างไรก็ไปพิจารณาดูสภาพของศพที่เขาทิ้งไว้ในตากช้าไม้ก่อนเขาทิ้งศพไว้ในตากช้าให้ไปดูปให้เห็นความจริงของร่างกายนี้ว่ามันสวยงามจริงหรือไม่แล้วเดงนักร่างกายนี้ทำาม ร่งการนี้เดี๋ยวมันจะขึ้นอีกแล้วเดี๋ยวก็บวงเดี๋ยวก็ช้ำเงาะคล้ำมีสีคล้ำสีดำคล้ำไม่ได้สีขาวอย่างที่เราเห็นกันตอนที่มีชีวิตอยู่นี่คือเรื่องของการเพียนพยายามสร้าง เป็นสี่ห้าให้กลายเป็นพระห้าขึ้นมาถ้าเป็นพร ะ, ะก็มายความว่ามันมีกําลังมันจะไปกับมันเองมีศรัทธาต่อการศึกษาต่อการปฏิบัติมนมีศรัทธาที่จะเจริญสติตลอดเวลามีศรัทธาที่จะนั่งสมาธิต่อรับกับการเจริญปัญญา ถ้าเป็นพระห้าแล้วทีนี้ก็ไม่ต้องเที่ยวเข็นไม่ต้องบังคับกันี้จะไหลไปของมันเองแล้วมันก็จะพาไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราปรารถนากันก็คือการนุรย์มรรคผลนิพพานขั้นต่างๆตัง้ตงแต่ขั้นโสดาบันขึ้นไปจนถึงขั้นพระอรหันต มันก็อยู่ในกรอบของความภาคเทียนของเรานี่เองถ้าเราภาคเทียนจเจริญสติจเจริญสมาธิแล ะ, จะเจริญปัญญาผลที่พ่านก็จะเป็นผลที่เกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนเช่นถ้าเราจเจริญสติได้ควบคุมความคิดได้เราก็จะสามารถดึงใจให้เข้าสู่ความสงบได้ เวลาใจเข้าสู่ความสงบก็จะได้สมผัสกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงคือความสงบความเป็นอุเบกขาของใจเพียงแต่ว่ามันเป็นความสงบชั่วคราวสมาธินี้ไม่สามารถที่จะรักษาความสงบนี้ให้เป็นไปได้ตลอดเวลา จะสงบได้เฉพาะเวลาที่เข้าไปสู่ในสมาธิเท่านั้นพอถอนออกจากสมาธิมาถ้าเผลอไม่ควบคุมความคิดปล่อยให้ความคิดไปคิดในทางความอยากความสงบที่ได้ก็จะจางหายไปก็จะเกิดความไม่สงบขึ้นในทางในใจดังนั้น เวลาออกจากสมาธิมานั้นถึงต้องควบคุมความคิดต่อไปควบคุมได้สองลักษณะถ้าควบคุมด้วยสติก็จะก ด, กดความคิดเอาไว้ไม่ให้ดึงความคิดเอาไว้ไม่ให้ไปคิดในทางที่จะทําให้เกิดปัญหาความอยากความสงบก็ยังจะมีอยู่ครับถ้าเผลอเมื่อไหร่ปล่อยให้ไปคิดถึงทางความอยากเมื่อไหร่ความสงบก็จะ หายไปถ้าอยากจะรักษาความสงบที่ถาวรก็ต้องรักษาด้วยปัญญาต้องสอนใจให้หยุดความอยากเวลาเกิดความอยากขึ้นมาต้องสอนให้เห็นโทษของความอยากให้ดูที่ใจถ้าสังเกต ด, ดูจะเห็นเวลาเกิดความอยากใจที่เคยสงบนี้จะกลับเพิ่มขึ้นมาทันทีนี่คือ ประโยชน์ของการมีสมาธิจะทําให้เห็นทุกเวลาเกิดความอยากขึ้นมาถ้าไม่มีสมาธินี้จะมองไม่เห็นเวลาเกิดความอยากนี้จะไม่เห็นว่าใจกําลังทุกข์เพราะใจไม่เคยมีความสงบไม่เคยมีความสุขใจทุกข์อยู่ตลอดเวลาใจกระเพื่อมอยู่ตลอดเวลาจึไม่เห็นความแตกต่างกันเวลาที่เกิดความอยากขึ้นมา ่เวลาที่จิตสงบนี้ความอยากสงบตัวลงไปใจจะนิ่งเหมือนน้าที่นิ่งพอเวลาเกิดความอยากก็เหมือนกับเวลาที่มีปลาขุดขึ้นมาโผล่ขึ้นมาก็จะทำให้น้ากระเพื่อมความอยากนี้ก็เป็นเหมือนปลาในน้ำที่ขุดขึ้นมาทำให้เกิดคลื่นในน้ำขึ้นมาถ้าใจสงบ้วถ้า มีสติเฝ้าดูที่ใจจะเห็นความรู้สึกที่แตกต่างกั น, นทุกเวลาเกิดความอยากแล้วใจจะกระเพื่มมอมขึ้นใจจะรู้สึกไม่สบายใจีนี้ก็จะรู้แล้วว่า อ, อ๋อสิ่งที่ต้องแก้ก็คือที่ความอยากนี่หยุดความอยากการจะหยุดความอยากไม่ได้ก็ต้องสอนใจให้เห็นว่าสิ่งที่ไปอยากได้ก็ไม่สามารถให้ความสุขได้อย่างแท้จรง ให้ความสุขได้เพียงชั่วคราวแล้วก็จะทําให้เกิดความอยากเพิ่มมากขึ้นไปหรือสิ่งที่ได้มาเมื่อสูญเสียไปก็จะต้องทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเช่อนอยากจะมีคู่รักมีสามีมีภรรยาอยากมีลูกเราได้มาแล้วทีนี้เวลาที่เขาจากเราไปเวลานั้นก็จะเสีย อ, อกเสียใจย ต, ต้องสอนพิจัยให้พิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงของสิ่งที่อยากได้หรือลาบยศสารเสริญก็เหมือนกันอยากได้ลาบมันก็ได้มาแล้วมันก็หมดไปได้ได้ยศได้มันก็หมดไปได้ได้สารเสริมแล้วมันก็หมดไปได้เวลามันหมดไปนั่นเป็นเวลาที่จะทุกข์ทรมานใจจะไม่มีวันที่จะจผ่านพ้นได้เพราะว่า พอหายทุกขนะ์มันก็ยังไม่เสร็จมันก็ไม่ลามันก็ลืมไปเลยก็ไปหาราบยอสารเสร้นใหม่หาคู่ครองคนใหม่เสียคู่ครองคนนี้ไปพอหายจากทุกขนะ์แลก็เลียก็อยากจะได้คู่ครองคนใหม่ลูกคนนี้ตายไปพอลืมไปหาจากทุกขนะ์แล้วก็อยากจะนี้ลูกใหม่มีคนใหม่ความอยากมันไม่หมดไป ถึงแม้จะทุกข์แสนทุกข์ขนาดไหนก็ไม่เข็ดไม่เบื่พอเกิดความอยากขึ้นมาแล้วมันสู้ความอยากไม่ได้ต้องไหลไปตามความอยากทันทีชีวิตมันถึงไหลไปอยู่กับความทุกข์อยู่ตลอดเวลาทุกข์เป็นพักพักทุกข์เป็นยกยกทุกข์เป็นรอกรอบไปรอบ น, นี้จะมาทุกข์กับการเกิดแก่เจ็บตาย ทุกขกับการสเสียสิ้นเสียทุกขกับการทับทากจากสิ่งต่างๆไปพอตายไปแล้วก็ลืมความทุกข์เหล่านี้จะหวนกลับมาเกิดใหม่มาหาความทุกข์แบบนี้แต่ถ้าใช้ปัญญาเวลาเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาถ้ามีสมาธินี้จะเห็นชัดเลยระหว่างความสบายใจกับความไม่สบายใจ จะเห็นเลยว่าเกิดขึ้นตอนที่มีความอยากเพื่อจะใช้ปัญญานี้สอนใจให้อยาบไปทาตามความอยากโดยเด็ดขาดเพราะไม่เลยเป็นการดับความทุกข์ที่แท้จริงดับความไม่สบายใจที่แท้จริงการดับความไม่สบายใจที่แท้จริงก็คือหยุดความอยากพอหยุดความอย่ากได้ใจก็กับกลืนสู่ความสงบทันทียากร้อนก็กลายเป็นเย็นทันทีอันนี้ การเจริญปัญญาเพื่อถอดถอนความอยากอย่างถาวรถ้าใช้ปัญญาไม่เป็นก็ต้องใช้สติไปพังๆก่อนจเจริญสติต่อไปควบคุมความคิดไร้ต่อไปวาริกา ร, รพุทโธต่อไปแต่ก็จะอยู่ในขั้นสมาธิเพราะนั้นถ้าตายไปก็จะยังไม่ได้มี มักผลนิพานมามาชุดดากให้ไปสู่การสิ้นสุดของการเย็นว่ายตายเกิดได้ตายไปก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมและพอกำลังของสมาของสติของสมาที่เสื่อมลงก็จะเคลื่อนลงมาเพราะทนอำนาจของความอยากไม่ได้ที่เริ่มมีกำลังมากขึ้นก็จะชุดให้ลงมาหาความหิ้จบุลยิย้นใจ ข อ, ของเทวดาของโลกทิพย์ก่และเมื่อความอยากมีเพิ่มมากขึ้นก็จะจุดแห่งลงมาหาความสุขทางจ้าหูจมูกมินกายของของร่างกายของมนุษย์ของดเสัตว์เดนอัศฉันแต่ถ้าสามารถกำจัดความอยากได้ด้วยอำนาจของปัญญาความอยากนั้นก็จะไม่มีกำลังที่จะมาฉุดลากให้ใจเสื่อมลงมา เรามาหาความสุข ท, ทางตาหูจมูกลิ้นกายทางรูดเสียงกลิ่นรสของของโลกทิปกด็ดีก็ของโลกโลกของของโลกมนุษย์กด็ดีก็จะค่อยๆทำให้เบาบางลงไปเป็นขั้นๆไปขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามจนถึงขั้นที่สี่พอถึงขั้นที่สี่ก็จะหมดทำลายความอยากแก้หึ้นไป ก็จะไม่ต้องกลับมาเวือนว่าตายเกิดติดต่อกันี่นงานที่จะต้องผลักดันเป็นการเปลี่ยนนิสัยเป็นการเปลี่ยนมือเราเคยถนับมือขวาเราก็ต้องหยุดใช้มือขวาเราหันมาหัดใช้มือซ้ายแทนเราเคยถนับในการหาราบยศสนเสรยหาความสุดทางตาหูสมูกิ้นกาย เราก็ต้องหยุดใช้การการหาราบยศสารเสริญหาเลือกเสียงเก่งมอหันมาใช้การหาทานศีลภาวนาแทนอันนี้ก็เป็นเหมือนกับการเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนมือมือขวานี่ใช้แล้วไม่ดีเป็นโทษก็หันมาใช้มือซ้ายารหาราบยศสารเสนแล้วมันไม่ดับความทุกข์ มันจะทำให้มีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นก็ต้องหันมาหันมาหาทานศีลภาวนาเริ่มต้นที่วันพระนี่แหละอย่างวันนี้เราไปนี้ลองตั้งจิตอนิตฐานตั้งเป้าไว้ว่าทุกวันพระนี่จะเป็นวันหาทานศีลภาวนาแล้วก็จะเพิ่มขึ้นตามลาดับเหมือ น, แบบนกับเรียนหนังสือ ก็เริ่มต้นทพีออนุบาลก่อนแล้วก็เพิ่มขึ้นไปเป็นตอนหนึ่งตอสองการเพิ่มของทางปฏิบัติก็คือเพิ่มให้มากขึ้นนั้นเองปฏิบัติมากขึ้นก็จะขึ้นชั้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆถ้าทำอาทิตย์ละวันก็เป็นชั้นอนุบาลอาทิตย์ละสองวันก็เป็นตอนหนึ่งสามวันก็เป็นตอสองเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงขั้นระดับปริญญาตีโทเอก อั น, นต้องเกิดจากการบังคับถ้าเด็กๆพ่อแม่ถ้าตอนเป็นเด็กๆพ่อแม่ไม่บังคับให้ไปโรงเรียนก็จะไม่มีวันไปโรงเรียนครับถ้าบ่อยให้เด็กไปด้วยความสมัครใจเด็กจะไม่ไปดูวันเปิดโรงเรียนมันแรกดูก็รู้สั่งว่าโกลาหนขนาดไหนเวลาพ่อแม่พาเด็กไปโรงเรียนนี่เวลาพ่อแม่จะกลับปล่อยให้เด็กอยู่กับครูนี่โอ้โหเหมือนกับฟ้าจะถล่มทลาย โลกจะระเบิดล้องโมล้องไห้กันนี่แหละคือนิสายเดิมเป็นอย่างนี้มันไม่ชอบศึกษาไม่ชอบหาความรู้ไม่ชอบพัฒนาตัวเองชอบไหลไปตามกระแสของกิเลสตัณหาของความโลภความโกรธความหลงของความอยากต่างๆดั ง, ง น, นั้นถ้าเราไม่ฝืนเราไม่บงังคับมันจะไม่มีวันที่จะตายได ทางของพระพุทธเจ้าไม่ว่าใครก็ตามแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ต้องบังคับตัวเองให้ออกจากวังไปพระอาลายทั้งหลายก็เช่นเดียวกันก็ต้องบังคับให้ออกจากชีวิตของการครองเรือนให้ไปอยู่ไปปฏิบัติไปใช้ชีวิตของนักบวชถึงจะได้ม้างผลนี่ผ่านไปการละว่า ผู้ค้องเรือนนี้น้อยมากที่จะได้มักสผลมิพานกันก็ถือว่าเป็นกรณีพิเศษเท่านั้นเป็นผู้ที่มีมีอิทธิบาทสี่มีพระห้าอยู่แล้วแ้วเนื่องจากมีเหตุการณ์หรืออะไรบางอย่างบางังคับให้ไม่สามารถไปได้ก็ยังสามารถปฏิบัติในเทศของผู้ค้องเรือนได้อยู่ บรรลุมากขณ์ได้เหมือนกันแต่นี้ถ้ามีอิทธิบาทสี่มีพระห้าแล้วไม่มีอะไรฉุดรั้งว่าแล้วนับรองได้ว่าจะต้องไปบวดกันเพราะมันจะรวดเร็วกว่าจะง่ายกว่าจะสบายกว่าเหมือนกับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลกับรักษาตัวที่บ้านการรักษาตัวที่บ้านนี้มันชู่ รักษาตัวที่โรงพยาบาลนม่ได้เพราะความพร้อมมันไม่เท่ากันโรงพยาบาลนี้เขาสร้างไว้เพื่อรักษาพยาบาลหนึ่งเป็นทู่ที่บ้านนี้ไม่ได้สร้างไว้เพื่อรักษารักษาก็เฉพาะโรคที่ไม่ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องหนึ่งมากเป็นตีนยาเป็นไข้หวัดรวดท้องนี่ตีญยาก็หายก็ไม่ต้องไปโรงพยาบาลแต่โรคที่จะต้องมีการผ่าตัด ่านี้ทำที่บ้านไม้ได้ต้องไปที่โรงพยาบาลเราะฉะนั้นการผ่าตัดกิเลสตัณหาเอากิเลสตัณหาออกจากใจก็ต้องไปโรงพยาบาลของของใจโรงพยาบาลของใจก็คือการได้บวชนการออกบวช น, นี่ออกบวชแล้วไอยู่ตามป่าตามเขาอยู่ตามสถานที่สงบสงัดนิเวศ ห่างไกลจากลาบยศสรรเสริญห่างไกลจากลูกเสียงกิ็ดรถโพธิพะถ้าอยู่ใกล้เดี๋ยวก็จะถูกลาบยศสรรเสริญลูกเสียงเกล็ดรถโพธิพะฉุดลากกลับเข้าไปดังะนั้นวัดหรือโรงพยาบาลของใจนี้ต้องเป็นสถานที่สงบสนัดไม่ใช่มีคำว่าวัดอยู่จะถือว่าเป็นเป็นวัดเสมอไป ถ้าเป็นวัดที่ไม่มีความสงบสงบ่าไม่ถือว่าเป็นวัดถ้าเป็นวัดที่ไม่มีที่การที่ปฏิบัติมีแต่แสงสีเสียงมีแต่ราบยกสารเสนรูดเสียงกลิ่นรสปวดทภาพะอย่นั้นก็ไม่เป็นวัดอยู่ไปก็จะยากต่อการที่จะบรรลุระกนิพพานวัดที่แท้จริงต้องเป็นวัดแบบที่พระพุทธเจ้าทรงประทับเขี่ว ในสมัยที่ทรงบำเ พ, พ็ญเพียรทรงประทับอยู่ในป่าในเขาไม่มีที่อยู่อาศัยถาวรอยู่ตามเรือนร่างบ้างอยู่ตามเงื่อมผาบ้างอยู่ตามโคนไม้บ้างอยู่ในถ้ำบ้างนั่นแหละวัดของพระพุทธศาสนาวัดของพระพุทธเจ้าวัดของพระอารามธรรมาติวงทั้งหลายเป็นวัด ไม่เหมือนกับวัดสมัยนี้ที่เป็นวัดของปุถุชนคนธรรมดาบวดล้าก็อยู่กับแสงสีเสียงอยู่กับเลือกเสียงกลิ่นรสทศภะอยู่กับความวุ่นวายต่างๆผลจึงไม่ค่อยเกิดขึ้นมาเพราะเหตุมันไม่มีเหมือนกับปลูกข้าวบนเขาอย่างนี้ยากที่จะได้ ข้าวต้นข้าวปลูกข้าวมันต้องปลูกในที่รุ่มที่มีน้ำดินปลูกบนเขามีแต่หินน้ำก็ไม่ค่อยมีถ้าจะได้ก็าจจะได้ต้นสองต้นแต่จะไ ด, ะได้แบบทั้งไร่แบบนี้เป็นไปไม่ได้ดังนั้นเราจรึงต้องขักดันตัวเราเองให้ออกจากการคลองเรือนให้ได้ ถ้าเราปรารถนามากผลี่ผ่า น, นด้วยการเริ่มต้นที่วันทระนี้เริ่มต้นรักษาศีลแปดอยู่บ้านคนเดียวหรืออยู่วัดไม่ยุ่งกับใครเอาเวลามาศึกษาฟังเทศฟังธรรมเอามา เ, เอาเวลามาเจริญสติเดินจนกรมนั่งสมาธิเอาเวลามาพิจารณาปัญญาพิจารณา ร่างกายว่าเป็นตายลักเป็นอนิจจังทุกขังอนาาัตตาเป็นอาการสามสิบสองเป็นดินน้ำลมไฟเป็นซากศพที่จะเป็นต่อไปในอนาคตพิจารณามันไปไม่ต้องกลัวมันเป็นความจริงไปกลัวมันทำไมมีใครปฏิเสธว่าร่างกายนี้จะไม่กลายเป็นซากศพกขอนหน้าต้องเป็นด้วยกันทุกคน เราจะมาหวงจะมาเสียดายมันทาไมเอามันมาทำประโยชน์ให้กับใจไม่ดีกว่าดีกว่าเอ า, เอามันม า, อาเอามันมากดดันจิตใจให้มารับใช้มันด้วยการดูแลรักษาร่างกายที่ดูแลรักษาไม่ได้อยู่ดีในที่สุดมันก็ต้องแก่เจ็บตายไปเอามันมาภาวนาสุเอามันมา รักษาศีลเอามันมาปฏิบัติทาเพื่อใจจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์จะได้พบกับความสุขที่เลิศที่กระเสริฐที่เป็นปะ r a m สุขังเป็นบรมสุขเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไปอันนี้ อยู่แค่เอื้อมมือของพวกเราอยู่ที่การกระทําอยู่ที่ความภาคเพียร น, นี้เท่านั้นไม่ได้อยู่ที่อื่นเลยไม่ได้อยู่ที่พระพุทธเจ้าไม่ว่าจะองค์ไหนก็ตามองค์ที่ผ่านไปแล้วก็ดีเนื้องค์ที่จะมาต่อไปก็ดีท่านก็ทําหน้าที่ของท่านได้เท่านี้แหละท่านก็เป็นผู้ชี้ทางบอกทางเป็นผู้ชักจูงเป็นผู้ชักชวนให้เรามาปฏิบัติกัน แต่ถ้าเราไม่สักงานันตัวเราให้ปฏิบัติกันเราก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้รับผลที่เลที่ประเสริฐนี้เพร น, น้นก็ขอให้ท่านจงพยายามบังคับตัวเองให้เจริญทานศีลภาวนาให้รับมากให้เพิ่มขึ้นไปตามอํา์ปรแบบทำจากน้อยไปหามากอย่าทำจากมากไปหาน้อย ส่วนใหญ่มักจะทำจากมากไปหาน้อยเวลาตั้งใจนี้ตั้งใจจะปฏิบัติกันเป็นที่ออกบวชกันเลยบวชไปบวชมาสามเดือนก็ลาสิกขากันอันนี้เรียกว่าเริ่มจากมากมาหาน้อยซู่เริ่มจากน้อยไปหามากดีกว่าเอาบวชอาทิตย์ละวันก่อนวันพระนี่ขอบวชเป็นพระชัวงคำแล้วอาทิตย์หน้าก็ขอบวชเป็นสองวันเดือนหน้าก็เป็นสามวัน เออ่มขึ้นไปไรื่อยๆจนได้เจ็ดวันต่อไปก็ได้เดือนได้สเดือนสามเดือนต่อไปก็ได้ทั้งปีทําไปถ้าทําอย่างนี้แล้วรับรองได้ผลมันต้องเกิดแน่ๆที่มันไม่เกิดเพราะมันไม่ทํากันเคยถามตัวเองบ้างไหว่าเราเคยทําถึงขั้นนั้นบ้างยังทําันทีเจ็ดวันเลยไหมทําทีเดือนหนึ่งบ้างไหมทำทีปีหนึ่งบ้างไหม ถ้าปีหนึ่งทำแค่วันสองวันนี้แล้วมันเมื่อไหร่มันจะได้ผลข อ, ขอให้เราต้องเราต้องผักนํำตัวเราเองต้องคิดถึงความตายอยู่เรื่อยๆว่าเวลาของเราน้อยลงไปเรื่อยๆความสุขต่างๆที่เราได้ท า, าทางลาบลดพละเสียงทางรูปเสียงกลิ่นลดถดถ้าพัททะทะนมันก็จะต้องหมดไปเวลาที่เราตายไปล แลเวลาที่เราต้องการที่พึ่งมันก็ไม่สามารถเป็นที่พึ่งทางใจของเราได้ใจจะต้องทุกข์อย่างแน่นอนเวลาต้องพบกับความแก่พบกับความเจ็บไข้ได้ปวดพบกับความตายพบ ก, บกับการสูญเสียพัดพลาจากสิ่งต่ตางๆไปให้คิดอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยๆเราจะเกิดฉันทาวิริยะจิตตะวิมังสาขึ้นมาแล้วก็จะมาพลิกอ่เป็นสี่ห้าให้กายเป็นภระห้าขึ้นมา การแสดงก็คิดว่าสมควรแต่เวลาก็ขอพักไว้ถึงเท่านี้ก่อนใครอยากจะได้หนังสือก็เชิญมานะหนังสือซีดีมีใครมีปัญหาอะไรไหมแตนยังไปปฏิบัติอยู่นะเพิ่งกลับมาเมื่อวานจะมาทกับมาธุระเดินหนึ่งเจะกลับขึ้นใหม่ไปที่ทำเอสารมกับเขาว่าแต่วันนี้มาไม่ได้เหนื่อยมาก เขาก็มีอุปษสรร์ไปการทำภาวนาเหมือนกันว่าการถือสีินแฝงเขาร่างกายมันมันสู้ไม่ค่อยไหวทำให้ความดันตกน้ำต่ำขาดสารอาหารอะไอย่างปตัวแล้วเป็นอย่างนั้นแต่เขาก็อยังสู้เข้าไปขอมงเยอะ ให้พัฒนาที่ดีอืู่ก็ต้องแบ่งเราแบ่งซื่อแบ่งให้กายบ้างแบ่งให้ใจบ้างครับต้องบาลา น, า น, นต้องประครับประคองมันไปเพราะเราต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมืออยู่ถ้าไปทําำจงกระทั่งมันมันชําลุกทุดโสมมันก็จะทําประโยชน์ไม่ได้ชถ้าไปรักษามนันมากเกินไปก็จะไม่ได้ประโยชน์ทางจิตใจ มันก็ต้องเ่าคนละครึ่งมีเป็นผลที่มาปฏิบัติตอนที่อายุมากแล้วร่างกายมันไม่พร้อมไม่ไม่อยู่ในภาพสภาพที่พร้อมที่จะพร้อมกับความภาคเพลินที่ร่างฐานถ้าทําในช่วงอายุน้อยนี่มันร่างกายมันพร้อมพระพุทธเจ้าออกบวชอายุยี่สิบเก้าพร้อม อันนั้นอดข้าวสี่สิบวันสี่เก้าวันก็ไม่ตายไมีเป็นทนายอย่าว่าแต่เพียงแต่ถือศีแตแปดเลยอดข้าวสี่สิบเก้าวันนั่งกลายมัมนึังสู้ได้คูบาจาร์ต่างตางนท่านดวนตั้งแต่ยี่ยี่สิบกันเหมือนกันแล้วก็อดอาหารกันทีละสามวันห้าวันหรือไปหยิงกับชาวป่าชาวเขาก็าอาหารแทบจ ไม่มีอะไรมากมีผักกับน้ำจิ้ม น, น้ำพริกร่าง<ต>กายร่างกายแต่ละคนนี้ก็มีสภาพไม่เหมือนกัน น, นั่นอาจจะเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์บางคนเกิดมามีมีกรรมได้ร่างกายที่ไม่สมบูรณ์มีโรคภยัยติดมา แค่เลือดจางเป็นเลื้ด เ, เลือดจางเ่มีอะไรอย่างนี้มันก็ลําบากนี่ เ, เือดเข า, าก็จา น, นี่เป็นหเป็นหอดบางคนมันมีโรคประจําตัวกันอันนี้ก็เป็นสังขาระมานมานที่เกิดจากสังขารทำามาล น, นี้ก็คือผู้ที่มาขวนก้านทางสู่มรรคผลมิพันธ์ ตัวมารจริงๆไม่มีครับ ว, ว, ว่ามานี้เป็นเพียงสมมุตินามสมมติให้ชื่อว่าเป็นมาเป็นลูกเป็นเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาแต่มารจริงๆนี่คืออุปสรรคค่ะที่มาคอยขวางกัน้นการเจริญนับผลนิพพานนี้ท่านเรียกว่ามารแต่เรามักจะมาว่าเป็นพญามามีรูปร่างใหญ่โตถือหอกถืออะไรมา อันนี้ก็เป็นเพลงเขาเรียกบุคลาธิฐานคือเอาเรื่องที่มันเป็นธรรมธิฐานมาให้เป็นรูปให้คนที่ไม่มีปัญญาที่จะเมกในทางธรรมธิฐานให้เห็นเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาท่านเองเหมือนกับตกนรกนี้เขาก็ว่าท่านพนรกว่าเป็นกระทะทองแดงมีใคร มีไฟเต็มไม่หมดมีต้นนิ้วปีนปายแล้วก็เจ็บมีพยามาคอยเอาหอกเอาอะไรมาทิ่มมาแทงนีอันนี้ให้รู้สึกถึงความเจ็บปวดของจิตใจที่เกิดขึ้นความร่มร้อนของจิตใจแล้สมมตคนที่สมมติว่าคนนรกก็อยู่ข้างล่างหรือสวรรค์อยู่ข้างบนนอ่ก็แค่สมมติเท่า อาวานนี้ไม่มีอะไรทั้งหมดสมัยนี้เขามียานเอากาศเขามีกล้องกล้องดูสองไปมีก็มีแต่โลกมีแต่ดวงดาวมีโลกอื่นที่เหมือนโลกของเรานี้เท่านั้นเองแป็นโลกกธาตุโลกทั้งหมดนี้เป็นโลกของดินน้ํนามีองไฟธาตุทีทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ทําจากธาตุที่ในจักรวาล ผมส่งจะถ้าส่งยาในบรากาศก็ได้ไปถึงอีกดวงดาวหนึ่งก็จะเจอโลกหนึ่งที่มีดินน้ำดวงไฟเลยอาจจะมีแค่ดินอย่างเดียวเช่นเขาส่งยาไปสํารวจ ด, ดาวอังคารดาวอังคารก็น้ําไม่มีมีแต่ดินอย่างเดียวมีแต่ดินกับไฟกับความร้อนเวลาแสงอาทิตย์มันก็เป็นธาตุทั้งนั้น่ะ ถ้าไปเจอโลกที่มีธาตุสี่ครบบริบุรณ์ก็ อ, อาจจะมีมนุษย์มีสัตว์อยู่ได้ <c oughs> เป็นเหมือนกับโลกของเราที่เป็นอยู่ในขณะ น, นี้อาจจะมีโลกแบบนี้อยู่เยอะแยะไปเพราะดวงดาวมันเยอะเหลือเกินเนี่เป็นแต่ว่ามันอยู่มันห่หางไกลจากเราม า, จากามาจนที่เราไม่สามารถจะติดต่อกับเขาได้เขาไม่สามารถติดต่อกับเราได้ก็เหมือนกับว่าไม่รู้ว่ามีหรือเปล่า แต่อแต่บนโลกเราเมื่อสมัยก่อนเราก็อยู่เรารู้จักเฉพาะเอบ้านที่เราอยู่เท่านั้นคนที่อยู่ไกลาจากเราไปอีกที่ของลกเราก็ไม่รู้ว่าเขามีอว่าเราไม่สามารถติดต่อกันได้แต่ามา ถ, ถึงมันจะเจอกันจะติดต่อกันหน้ามันก็จะเป็นเหมือนกันมันก็มาจาก่าตสีมนีน้ำมีไฟแล้วมันก็มีจิตใจที่มีกิเลสปัญหาความอยากไปไปไปครอบครองร่างกายต่าง มันก็จะมีสงคามมีฆ่าควานกันมีอะไรกันเหมือนกันนี่แตกต่างกันเลยมนอาจจะเกิดไปเกิดหลายครัง้งแล้วโลกนั้นบ้างโรกนี้บ้างแต่เกิดทีไรมันก็เหมือนกันอย่างเนี้ยก็มีคนมีพระมีอะไรเหมือนกันอย่างนี้เพราะมันเป็นโลกของกิเลสเท่านั้นคนที่ไม่มีกิเลสเขาไม่มาเกิด ต้องคอยคิดอยู่เรื่อยๆแล้เราใกล้ใกล้เป็นทุกวันทุกวันเราเขาให้บัตรคิวเรามาแล้วเราเคยดูเลขมันเรื่องบ้างเลขที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่เขาเขียนหรือเปล่าว่าคุณจะต้องไปในวันที่หนึ่งมกราคมอถ้ามีเลขอย่างนั้นก็ดีนะจะบางคนได้เลขนี่ไปหาหมอหมอบอกคุณไปแน่ๆสามเดือนนี้หกเดือนนี้ ตอนนั้นจะเกิดชั้นทะวิริยะขึ้นมาตอนนั้นจะไม่ไปละไม่หาราบยศสารเสริมไมหารูปเสียงกลิ่นลดละอันนั้นอยากจะไปวัดกันละลูกศิลป์ดวงตาคนหนึ่งก็พอหมอบอกว่ารักษาไม่ได้แล้วก็ไปวัดดีกว่าอยู่สามเดือนในเรื่องความเพลยนครับทีนี้ หลายอยากจะให้พวาเราเจออย่างนีทุกคนจะได้ไม่ต้องมาบังคับกันให้เหนื่อยยากหลายจะตาแช่างไม่เกิดเพราะไงไปหาหมอเมื่อไหร่คลายหมออหล่อนแค่สามเดือนนัดทีอ่าจะได้ทิ้วิกฤตเป็นโอกาสนะอย่างนี้มันไม่ยอมเพียงไงนะจะทำไงนะพูดยังไงก็ไม่ยอมทำเลยนะต้องให้หมอพูด เมื่อเดือนที่แล้ก็มีญาติโยมคนหนึ่งก็มาขอพรแบบว่าหนูจะต้องไปหาหมอไปตรวจนะหนูไม่อยากจะเป็นมะเร็งเลยขอพรหน่อยเลยว่าเป็นเนี่ยดีหรือเปล่าคุณจะได้รีบปฏิบัติธรรมสักทีท <c oughs> นั่นนั้คุณก็ไม่อยากปฏิบัติสักที <c oughs> อะไรจะดีเท่ากับการปฏิบัติธรรมเพราะสิ่งที่เราได้รับจากการปฏิบัติธรรมนี่มันดีกว่าการมีชีวิตอยู่ มีลาบยกสนรเสรินมีชีวิตอยู่มันก็อยู่กับความทุกข์เองอะอยู่กับความอยากพอรู้ว่าจะต้องตายเป็ในสามเดือนหกเดือนทีนี้โอ้โหมันเล่งปฏิบัติธรรมเลยมไม่ไปสนใจกับเรื่องอะไรและ้ะเรื่องหาเงินก็ไม่สนใจและ้ะเรื่องใครก็ไม่สนใจแล้วทีนี้จะเอาตัวเองให้รอดอย่างเดียวเนี่ยเราต้องจําลองเหตุการณ์ขึ้นมา เราต้องสมมติแล้วว่าเราพึ่งไปหาหมอกลับมาแล้วหมอก็บอกคนเดียวแค่สามเดือนแล้วละทีนี้จะไม่กลัวร่างกายมันจะอดสิจะสือสินแต่มันจะเจ็บบ้างอะไรก็ช่างมันอะพระยังหายใจได้ยังปฏิบัติทำได้ก็ไม่ต้องไปกังวลกับมันเอาชนะสังขารละมานให้ได้ อย่าปล่อยให้มันเป็นอุปรสรรคภาพใดยังยังกินได้ยังทําเราได้ก็ต้องภาวนาได้เพราะภาวนาไม่ต้องทำอะไรมากมันนั่งเฉยเฉยน่นั่งหลับตาพุโทโธพุโทโธมันต้องทำอะไรนอกจากเวลามันเมื่อยก็ลุกขึ้นมาเดินนั่นีอเดินก็เพื่อให้มันหายเมื่อยหายเมื่อยแล้ว ก, กลับไปนั่งใหม่มันจะเนี่ยจต้องใช้นั่งกายที่แข็งแรงขนาดไหนเลย ที่ไม่แข็งแรงก็พะใจนะครับความที่เกลียด ม, มันทำให้อ่อนแอไปหมดเเวลาไปเที่ยวไปชอบเด้งนี้มันโอยเดินไกลขนาดไหนกี่กิโลมันก็เดินได้ไวเดินจงกรง <laughs> เดินจงกรมแค่ส <laughs> ิบ น, นาทีโอ้โหมั่ยนะออันนี้จังทุกข์กาณฑกัน <c oughs> กิเลสมาไม่ได้ครับครับยบาติที่ถามนี้ทําไมบางคนอยากได้ยศถายนยศถางเงินตราทั้งที่มีมีความรู้มีความรู้ชอบแล้วก็มีหลายอย่างทํำไมยอยากได้ก็ตั้หาไความอยากมันไม่หมดนมันไม่หมดพอมันเกิดแล้วมันจะมันก็จะไปทันกนต้องทำคนคนพวนั้นไม่รู้เลยว่าเราตั้หาอขนาดบอกนี่ก็ยังไม่ยอมหยุดใช้อืม <c oughs> ก็รู้กันอยู่แต่มันไม่หยุดเนี่ยมันไม่ยอมอยู่มันหยุดไม่ได้มันสู้มันสู้อํานาจของความอยากไม่ได้พอเราเกิดความอยากแล้วแม่มันหดหยุดไปหมดมันมันกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระสานกังวลกังวลกคขับมันรู้ไม่รู้จุดไม่รู้จักบาปมันคุณโทอนะเพราะว่าก็ไม่น่าจะรู้กันแล้วแต่บางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้คนรู้มีน้อยคนไม่รู้มีมากกว่า คนชั่วมีมากกว่าคนดีคนดีท่านเปลี่ยมเหมือนเขาวัวคนชั่วเปลี่ยนเหมือนขนวัววัวตัวหนึ่งมีเขากันสองเขามีขนเป็นรอยก็ดูว่านี่เมืองไทยมีผู้ชายกี่คนสามสิบล้านคนบวชเป็นพระกี่คนทำไมคนไม่บวชนะใช่บวชนะครับ เราทำไเสกบวดเราทำไมเ ส, มสกเพอา ะ, ะสู้ความอยากไม่ได้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่รู้รู้แต่สู้มันไม่ได้เราเมืองพุทธมีคำสอนสอนอยู่ต ล, ลอดเวลากิเลสตัญหานี้เป็นตัวร้ายการรู้กันฟังกันอยู่จนชาหูชาเลยหูฉี่ แต่เนี่นมีกําลังสู้มันเพราะมันไม่ยอมบังคับตัวเองให้สู้ชอบปล่อยให้ไปตามนิสัยตามความสบายใจอันนั้ น, นความอยากมันก็เลยเพิ่มขึ้ น, น, น, นไปอย่างนี้กัเด็กๆ เ, เนี่ยที่พูดถ้าไม่บังคับได้โรงเรียนจะไปไหมเนี่ยปล่อยให้ให้ตับสินใจเอ ง, เอง ถ, าถามลูกๆจะไปโรงเรียนไหมวันนี้ <c oughs> ขนาดไปมันยังหนีโรงเรียนด้วยทำไมตอนม า, นรมานเรียนยังเคยหนีโรงเรียนเลย <laughs> นี่ออมากินข้าวเขาไม่กลับเลยไปดูหนังต่อเลยความอยากมันเป็นอย่างนั้นนะถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาให้เห็นโทษนี่มันจะมันจะไม่เห็นมันจะเพลิดเพลิน มีความสุขกับการได้ทำตามความอยากก็เลยต้องทำต่อไปเรื่อยๆเพราะเวลาไม่ได้ทำนี่โหมันเหมือนตกนรกทั้งเป็นอลองถานคนที่ปิดสุราติดบุหรี่นี่เวลาดื่มอยากจะดื่มสุราอยากจะดื่มบุหรี่แล้วไม่ได้ดื่มไม่ได้สุเป็นยังไงเหมือนตกนรกทั้งเป็นพวกคนที่ติดยาเสพติด พวกสสก็เหมือนกันถ้าไม่ได้เป็นสสนี่โหนเลยก็ตก น, ก น, นกรกเหมือนกันพวกสสพวกรัฐมนตรีทั้งหลายพวกนี้เวลาปฏิวัติทีเวลาต้องเลือกตั้งทีเราเมันตกนรกทั้งเป็นแต่ก็ไม่เข็ดใช่ไหมเพอถึงเวลาเลือกตั้งทีไรก็ออกมา หาเสียงกันเต้นไม่หมดบางอย่างออแล้วเป็นยังตายไปก็จบพวกน้าการเลยอท่้งหายตายไปแล้วเป็นยัไงมีใครพูดถึงมั้ยออมีใครยกย่องสันเิริานมั้ย <c oughs> ก็มีแต่พวกเท่านั้นแนหะที่ยกยกฮะพวกหมายกหางตัวเอง <c oughs> เหมืนกับรถเนี่ยรถวิ่งลงเขาอยู่ดีๆจะให้มันหยุดเองมันไม่หยุดมันจะอยู่ก็ตามว่ามันแหาโค้งตกเขาไปวิ่งไม่ได้ถ้าเราไม่คอยเหยียดเบรกมันมจะไม่มันไม่จะไม่หยุดเราต้องใช้ทานศีลภาวนาเบรกกันไปพระพุทธเจ้าทำเป็นตัวอย่างมาแล้วเบรกได้แล้วเป็นไงหน่ะแสนจะดีไหมแสนจะสบาย กายเป็นผู้ประเสริฐเนิศโลกก่อนหน้านั้นท่านก็เป็นเจ้าชายธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นเองแต่แล้วเป็นพระพุทธเจ้าในที่เดิม 2,500 ปีผ่านมาแล้วเรายังกล่าวถึงท่านอยู่ทุกวันนี้ยังกราบไหว้ท่านอย่างยงสนิทใจทั้งที่ไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาเลยมาก่อนพราความดีที่ท่านได้รับแล้วเอามาแบ่งให้กับพวกเรา มันเป็นคุณประโยชน์กับชีวิตจิตใจของพวกเรามากเหมือนได้หลุดพ้นจนากนรกการได้พบ ก, กับพระพุทธศาสนาได้ปฏิบัติจนได้บรรลุธรรมนี้เป็นเหมือนกับการได้หลุดออกมาจากคุกออกจากตารางคุกตารางของพวกเราก็คุกตารางแห่งการเย็ยนไหวตารเกิดกาแพงที่น้อมทุกข์อยู่นี้ก็คือกําแพงของเกิดแก่เจ็บตายนี่ ออกมาไม่ค้นคุกนี้เลยเวียนกันติดอยู่ในคุกนี้กันมาอยู่ตลอดเยลามีพระพุทธเจ้าเน่ยนะที่เจ่งที่สามารถปีนมันออกมาได้ปีนกาแพงนี้ออกมาได้แล้วก็กลับมาสอนวิธีปีนให้พวกเราเดี๋ยได้ท่านปีนให้เราไม่ได้ถ้าปีนให้ได้พวกเราก็สบายแล้วออกจากคุกกันหมดแล้วพวกเราก็ไม่ยอมปีนกบอกวิธีปีนให้ก็ไม่ยอมปีนกัน ยังเสียดายอาหารในคุกอยู่ยังติดใจอาหารในคุกอยู่ต้องพยายามนึกถึงเทวทูตสเนี่ยพระพุทธเจ้าเห็นเทวทูตสี่เห็นความแก่เห็นความเจ็บเห็นความตายเห็นนักบวชพยายามนึกถึงเทวทูตสี่นี่อยู่เรื่ยท่านถึงสอนให้เจริญมานานุสติเจริญทำที่แท้ที่ตรัสว่าเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดา ย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาย่อมมีความตายเป็นธรรมดาให้คิดไปเรื่อยๆย่ยอมมีการทัาทาจากสิ่งรักสิ่งที่ชอบไปเป็นธรรมดาพิจารณาไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะจะเกิดชั้นท้าวิริยะขึ้นมาเราไม่คิดกันเองวันหนึ่งเราคิดถึงเรื่องนี้ซักเท่าไหร่กั น, น, นลืมไปหมด โมแต่เมื่อกีหาา้หาราบยศสารเสียงหาลูเสียงกินลดผลเพะกันอยู่ตลอดเวลาจึงเลยไม่มีเวลาคิดถึงเรื่องนี้ก็เลยเหมือนกับเป็นการประมาทโดยที่ไม่ได้ตั้งใจจะประมาทอาบุตรจ่าบอกพระอนนุนแล้วว่าต้องพิจารณาความตายทุตลมหายใจเข้าออกถึงจะถือว่าไม่ประมาท ถ้าไปหาหมอหมอบอกว่าได้3เดือนแค่ น, นี้มันจะคิดถึง3เดือนนี้ตลอดนะทีนีมันไม่คิดถึงเรื่องอื่มาหาหมอพระหมอพระพูดเท่าไหร่ก็ไม่เชื่อมาหาอจารย์ค่ะอยากจะสอบถามถาอ า, าจารย์นะคะว่าเวลาที่ทำสมาธินะคะก็คือก่อนหน้านี้ลูกจะ เวลาหายใจเข้าก็จะพุทเวลาหายใออกก็จะเทอิเลแล้วพอมาฟังทางจากห้าจานก็คือว่าจะไม่เลือกจกอย่างใบย่นก็คือถ้าดูมลมหายใจก็ดูลมหายใจอย่างเดียวหรือว่าถ้าจะภาวนาพุทโธก็ให้ภาณนาอย่างเดียวได้ทั้งสามอย่างเนี่ยสมมติว่าถ้าเราพุทเข้าเทอิเ่แล้วมันไม่ถูกกับเราแล้วก็เอาพุทโธอย่างเดียวก็ได้หรือพุทโธอย่างเดียวไม่ถูกเราก็จะเอาลมอย่างเดียวก็ได้ได้ทั้งสามอย่างแต่ว่าอย่างที่นูกปฏิบัติก็คือว่า อตอนนี้ก็คือพยายามที่จะดูลมหายใจอย่างเดียวแต่ว่าจะค่อนข้างใช้เวลานิดนึงก่อนที่จิตใจจะสงบ ข, ขอให้ดูผลก็แล้วกันช้าหรือเร็วไม่สําคัญขอให้มันได้ผลก็ใช้ได้แล้วก็ถ้าตรงที่พอจิตใจสงบแล้วเนี่ยติตจะติดอยู่กับตรงนั้นนานนะคะก็คือจะชอบอยู่กับความสงบตรงนั้นก็ไม่ <ใจ S 1> เป็นไรอยู่ให้มันนานที่สุดได้มันอยู่ได้สองชั่วโมงสามชั่วโมงอยู่ได้ทั้งวันได้ยิ่งดี ไม่ต้องกลัวปัญหาคือเวลาออกมาแล้วจะทำยังไงต่อออกมาแล้วก็ต้องรักษาเจริญสติต่อรักษาความสงบไว้ให้ได้ต่อจะรักษาด้วยสติก็ได้รักษาได้รักษาด้วยปัญญาก็ได้อันนี้เป็นปัญหาทั้งแต่เวลาสงบไม่เป็นปัญหาสงบได้นานเท่าไหร่ไม่เป็นปัญหายิ่งนานเท่าไหร่ ย, ยิ่งดีแต่เวลาออกมาแล้วจะทํำยังไงบางทีออกมาแล้วก็ไม่จเจริญสติไม่ ไม่ควบคุมความอยากเลยออกมาว่าอยากจะดื่มก็ดื่มเลยอยากจะดูก็ดูเลยอันนี้แหเป็นปัญหาต้องควบคุมต่อต้องรักษาความสงบต่อไปออกมาก็พุโทโธต่อก็ได้ควบคุมดูล่ะดูร่างกายก็ได้เข้าดูร่างกายเวลาเกิดความอยากก็ต้องใช้ปัญญาสกัดนั้นถามว่าถึงเวลาที่จะดื่มหรือยังถึงเวลาที่จะรับประทานหรือยัง ถึงเวลาที่จะต้องดูหรือยังสิ่งทดูนี้จําเป็นจะต้องดีหรือเปล่าต้องใช้ปัญญาถึงจะชักให้มันกลับเข้าสื่ความสงบอย่างเดียวต้องต้อนให้มันเข้ากกงอย่างเดียวถ้ามันอยู่ในโกงได้ทั้งวันทั้งคืนได้ยิ่งดีไม่เป็นปัญหาความสงบไม่เป็นโทษโทษอยู่ตรงที่ว่าเอาจากความสงบไปแล้ ว, วล่อยปะกละเลยไม่ควบคุมความไม่ควบคุมใจไม่ควบคุมความคิดไม่ควบคุมความอยาก คือกที่เราจเรียนสร็แล้วก็ถือให้พิาพาจารณาในส่วนขอปัญญาใช่ไหมัญญางานากายกับพิจารณากันเพื่อจะได้ตัดอุปทานยึดมั่นถึงมั่นในร่างกายตัดการมลาคะความอยากในการอีงานที่เราต้องทําต่อไปหลังจากออกจากสมาธิแล้วไม่ใช่ออกมาแล้วก็ไปเปิดทีวีดูไปเปิดตู้เย็นหาอะไรกินอันนี้มันไม่ใช่ทางนี้ นั่งสมาธิได้นานเท่าไหร่ยิ่งดีสงบได้นานเท่าไหร่ยิ่งดียิ่งมีกําลังที่จะสู้กับปัญหาความอยากได้มากขึ้นการสงบได้นานเท่าไหร่ยิ่งดีเขาเข้าฌานทีเจ็ดวันนี้อย่างเงี้ยดีถึงแต่ว่าเราออกจากฌานมาแล้วก็ไปปล่อยไม่ควบคุมความคิดปล่อยให้ไปทําตามความอยากอันนี้ไม่ดีออกมาแล้วต้องมาสกัดมาหยุดความอยาก แต่ว่าคนที่อยู่รอบข้างเอี่ยคนที่อยู่ในบ้านเพื่อเขาจะมองว่านุ่มกอย่าไปอยู่เข้าเลยไอยู่เขาไม่ได้ก็อย่าไปอยู่ <c oughs> อก็เป็นเลยเราไม่ได้เป็นเหมือนเขาแล้วลนะ <c oughs> ่ะเห็นไหม <c oughs> เป็นความจริงเราไปกลัวทำไมเราดีกว่าเขาเราไปกลัวทำไมเราสุขขว่าเขาเราไม่ต้องมีอะไรเราก็สุขเขาไม่มีอะไรเขาไม่สุขเราไม่มีอะไรเรากลับมีความสุข ถ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็เหยื่ออยู่ใช่ต่างคนก็ต่างอยู่กันไปไปอยู่กับคนที่เขาเหมือนเราซิไปอยู่ตามวัาตามวาไปมีตามสถานที่ปฏิบัติอยากไปค่ะแต่ว่าเรามีห่วงมีภาระที่เราจะต้องก็งไม่มีปัญญาก็ไม่มีปัญญาพิจารณาปัญญามันไม่มีหรอกภาระเราไปสร้างมันขึ้นมาเองเราตายในวันนี้แล้วภาระมันจะเป็นยังไง พาระมันไปกับเราหรือเป่าเราไม่มีปรรัญญาเราไม่คิดถึงทารตายถ้าบบเราเิด่าถเกิดเราต้องตายไปวันนี้ถ้ามันจะอะไรจะเกิดขึ้น<ป>เขาก็อยู่ต่อไปพระของเราเขากบทุกคนก็อัตตาหิอั ต, ตนโนนาโงอยู่แล้วตอนไปที่ทีหน่มตน ถ้าพึ่งตัวเองไม่ได้ก็ตายก็เหมือนกันเราก็ตายได้ทำไมเขาตายไม่ได้อย่ถ้าพิจารณาความตายแล้วมันทาระาทั้งหลายมันหมดไป